จะเอาไปบวชเฉลิมพระเกียรติเนาะก็เลยถามท่านว่าท่านท่านต้องการจีวรสักกี่ผืนท่านก็บอกว่าห้าสิบผืนเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอแบบว่าขอคุยกับทางแม่ชีที่นัดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ เดี๋ยวจะจัดการให้แต่ว่า50าสื้นเนี่ยเราคงให้ไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินมันเยอะมากๆเลยเราคงจะสนับสนุนได้สักจำนวนหนึ่งแล้วก็งานอย่างเนี้ยงานเจริญปเกียรติก็จะมีคนที่ร่วมมีศรัทธามีอะไรเยอะๆหมดอะไรเงี้ยนะนี่ก็ท่านก็ยืนยันบอว่าเนียลดรอยอยู่อยากให้จัดการเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็ขอยืนยันมาเดี๋ยวเราก็ขอ ขอจัดการเรื่องทีละเรื่องแล้วก็เรื่องของท่านจะเกิดขึ้นในวันไหนท่านก็บอกบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันข้าบรรษาโอ้อีก2ี่สบวันเดี๋ยวจัดการให้ดเดี๋ยวจะเดี<ะ>๋ยว<ด>จะส่งไปให้ให้ท่านให้ชื่อให้ที่อยู่ไว้เียท่านก็ยืนยนันว่าขอเดี๋ยวนี้ขอเดี๋ยวนี้เราก็ยืนยนันบว่าเราก็มีธุระเดี๋ยวนี้เหมือนกันแล้วก็ดูแล้วจีบอของท่านก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไร แล้วก็การจัดการที่จะจัดการให้จํานวนขนาดนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้อย่างรีบด่วนเนยก็นิมนต์ท่านไปที่สารกลางน้ำก็บอกว่าท่านนิมนต์ท่านรอตรงนั้นก่อนเนียก็แล้วก็คุย <c oughs> ก็คุยธุระกันไม่ชี้ปรากฏว่าเดี๋ยวท่านก็ห้านาทีสินาทีท่านก็มา <c oughs> ท่านก็เอา <c oughs> พระเครื่องมาให้สักกรมมือหนึ่งก็บอกท่านบอกว่าที่นี่เนี่ยเราไ ม, ไม่ได้ใช้ของพวกนี้หลกน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ยกตัวอย่างหลวงพ่อเทียนว่าสมัยก่อนหลวงพ่อเทียนเองเนี่ยก็เคยเอาพระเครื่องใส่ลงไปในบาตแล้วก็เอ๊ะทำไมพระเครื่องจมน้ําแล้วช่วยตัวเองไม่ได้นะอย่างเงี้ยถ้าพระเครื่องเก่งจริงก็ต้องแบบว่าช่วยตัวเองให้ขึ้นมาจากน้ําได้ก็นึกถึงตรงนั้น ก็บอกท่านบอกว่าเอาไปใช้ประโยชน์ทางอื่นแล้วกันอย่างนี้เดี๋ยวไม่ไม่ที่เราคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้นะฮะท่านก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยอยากจะให้เอาไว้เป็นประโยชน์ยานโยมบอกว่ายานโยมที่นี่ไม่ได้ต้องการมาถุสิ่งของไม่ได้ไปร้องขอที่ไหนแต่ว่ายานโยมที่นี่ก็ปฏิบัติเอาทำเอาเนาะก็ตรงเนี้ยก็ท่านก็กลับไปอีก เราคุยต่ออีกสักครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นจากทางกระจกที่สะท้อนไปก็ท่านก็มายืนรอก็เห็นอยู่เนาะแต่มาเราก็ธุระเรายังไม่เสร็จเราก็ยังคุยธุระต่อปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอเราคุยธุระเสร็จแล้วเราก็ยังขอยืนยันว่าเราเนี่ยจะขอจัดการส่งไปให้ คอยท่านให้ชื่อให้ที่อยู่ไว้อย่างเงี้ยปรากฏว่าเราก็ยืนยันยืนยันยืนยันตรงนี้ท่านก็ยืนยันว่าท่านจะต้องเอาเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าท่านไม่จําเป็นต้องเอาเดี๋ยวนี้ท่านจะจ้างรถแท็กซี่จากกรุงเทพมาทําไมอะไรเงี้ยเราก็ยืนยันว่าก็ขอชื่อที่อยู่ขอชื่อที่อยู่เงี้ยก็ตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ท้ายสุดท่านก็บอกว่า ที่ท่านอารมณ์ขึ้นแล้วนะก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะก็อารมณ์ขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขอชื่อที่อยู่เอาไว้เดี๋ยวจะส่งไปให้คิดว่าส่งทันท่านเสร็จท่านก็บอโหปึงปังแล้วท่านก็แบบว่าไม่ใช่ปึงปังอย่างเดียนะก็ตะโกนโบกเวกลั่นตรงตรงนั้นทุกหมดหลุมพิศลินก็ได้ยินเนียหลุมพิศลินได้ยินก็ก็ว่าเอ้มันมีเรื่องอะไรปรากฏว่า ท่านก็ขับรถไม่ไม่ใช่ขับรถ่ะก็รถแท็กซี่ก็พาท่านออกไปเราก็ดูแล้วก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจมีสภาพไม่ค่อยดีก็เลยเดินตามออกไปที่ครัวก็กะว่าจะไปแจ้งที่ครัวไหมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆอย่างนี้มาก็นั้นก็พอดีที่ทางครัวก็บอกบอกว่ารถขับไปแล้วอย่างเงี้ยก็ดูสถานการณ์อยู่สักครู่หนึ่งก็เลยกลับเข้ามา ปรากฏว่าพระเดินกลับก็มาข้ามน้ามาก็รถแท็กซี่คันเก่าเนะก็มาจอดพอดีเนาะก็เราก็เออดีจังกลับมาอีกทีหนึ่งเราพอเจอหน้าท่านท่านก็นกต่างมาอีกบอกว่าเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้าแตมาเลยแล้วเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยแบบว่าแบบว่าทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้เนี่ย หน้าอย่างเงี้ยเหล่าคนจะคอรบเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเหล่าจะอะไรนะอุ้ยมาวมากมายไปหมดเลยนะฮะสนุกดีเหมือนกันก็เราก็เห็นนะเออนะคนเรล่านะแบบว่าก็พอแบบว่าพอโมโหแล้วก็พูดอะไรแล้วก็เออเขาก็ไม่ไม่ไม่คิดนะว่าเออไอการที่เขากําลังเต้นแรงเต้นกายอยู่ตอนนี้แท็กซี่ที่มาส่งเขาจะคิดยังไงอะไรยังไงก็ดูแบบว่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ ขับรถต่อไปจะไม่ให้รถแท็กซี่ผมก็อาตมาก็ยังยืนยันนะบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจัดการให้อะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ก็บอกว่าเนี่ยทาให้เขาเสียแผนหมดเลยนะพ่อม า, านเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะจัดการได้ยังไงว่างานบนเขาจะมีของอะไรบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะจัดการให้จะจัดการให้สักสิผืนอะไรเงี้ยโอ้มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะเขาเขาบอกอย่างนี้ฮะ เขาบอบอกว่า50สิบผืนเนี่ยจะต้องเป็นผ้าที่ไม่มีการพินทุ้ด้วยนะหมายถึงเป็นผ้าใหม่เอี่ยมนะฮะอย่างงี้อยอะไรเงี้อยงงอุอ้ยก <c oughs> <c oughs> ็แบบว่าหลวงพิสรินมาพูดเสริมในตอนภายหลังนฮะบอกว่ายี่เวลาเราไปขอใครเนี่ยเราก็ต้องขอนะไม่ได้ระบุนาะมาเราอยากได้อะไรขอก็คือใครจะให้อะไรก็ให้อย่างนั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่านี่นี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏ ก็เขาก็ไปจอดพอดีหลวงพิสุรินก็ดูแลต้นไม้อยู่หน้ากุฎพอดีแถวๆนะั้นเขาก็โวยโวยวายซึ่งในขณะที่เรายืนอยู่บนหัวสะพานแล้วก็หลวงพิสุรินอยู่ที่กุฎก็ห่างกันพอสมควรนะฮะเสียงโวยวายเขาก็ดังดังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่จับจับสับจับสำเนียงไม่ได้นะว่าคืออะไรอย่างเงี้ยท้ายสุดพอเขาไปแล้วเนี่ยหลวงพิสุรินก็มาดูมามาดูมาหาบอกว่า เอ๊ะเมื่อกี้มีพลนักเลงมาก็มาทำร้ำำายทําร้ายทําร้ายอาตมาหรือเปล่ า, นะ า, าอะไรเงี้ยนะว่าะว่าคลายว่าเขาดูเขาดูแบบเหมือนกับเป็นคนคนขี้โมโหมากๆอะไรเงี้ยเบสเลินบอกว่านี่นะเมื่อกี้เขามาบอกผมนะบอกว่าเนี่ยเสียเวลามากเลยให้เขารอเนี่ยแล้วเสร็จ <c oughs> <ๆ>แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรไปเนี่ยแล้วสร็ท้ายสุดเขาก็บอกว่าเมื่อกี้เขารออยู่ที่สารากลางน้ําเนี่ย เห็นคอมพิวเตอร์อยู่สองอันเนี่ยเขาจะขอไปได้ไหมก็เนี่ยฮะแล้วท้ายสุดก็ก็กะคุณพิสลินก็บอกบอกว่าเออนะที่ถ้าหากว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยที่วัดชนเนี่ยก็มีของพวกนี้เยอะนะให้ไปหาที่วัดชนอะไรเงี้ยพิสุรินก็บอกว่าเขาก็ยิ้มกลับไปเมื่อวานก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาทําวัดเนืงจากว่า มีเรื่องอะไรทำนองนี้อะไรเงี้ย น, นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือตั้งแต่มาอยู่ที่วัดนี้เนี่ยก็จะเจอจะเจอเรื่องอย่างเงี้ยฮะอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกนู้นก็ตอนบวชใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ทันครบหรือไม่ก็ครบพรรษาครบพรรษาแล้วก็มีคนหนึ่งมาถึงที่วัดเนี่ยตอนเย็นเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นบอกว่าเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาทําถนนอยู่ตรงแถวๆป่าศัก็บอกว่าหลวงพ่อขุนเขียนสั่งมาว่าให้เอาดินเนี่ยนะฮะมาถมถนนที่วัดแล้วก็วิธีการก็คือเขาเนี่ยเขาจะเอารถนะฮะเอารถที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็เอาดินที่เขากำลังใช้อยู่ตรงนี้ แบ่งมาให้ที่วัดเนี่ยแต่ต้องคล้ายๆว่าจะต้องที่วัดจะต้องออกค่าน้ํามันนะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวค่ำเนี่ยก็ไม่ใช่ค่ำเดี๋ยวหกโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เลิกงานทางนู้นเนี่ยเขาก็จะเอาดินเนี่ยมามาให้ก็ ข, ขอสตางค์ไปด้วยด้วยการอ้างอ้างหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่อสั่งตอนนั้นเราก็ ไม่ใช่ตอนนั้นหรอกโดยนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนซื่อมากๆเลยนะต้องเรียกว่าซื่อซื่อแบบถ้าภ า, ภาษาโลกก็บอกว่าโง่ๆนะฮะอย่างงั้นก็ให้ให้สตังค์เข้าไปเขาก็บอกว่าต้องการสตังค์ค่าน้ำมันนะฮะอย่างเงี้ยเราเราก็ให้เข้าไปนะแล้วก็ไม่ได้ดินหรอกฮะก็หายไปนะตรง น, นั้นก็เป็นบทเรียนครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันมาแบบเดียวกันนะฮะอย่างนั้นก็มาด้วยการอ้าวบอกว่า พระอาจารย์เพศสารบอกมาแล้วก็ได้ไปขอหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คือคือประกอบ ก, บกับการที่ต้องการอะไรอย่างรีบด่วนนะต้องให้เราตัดสินใจรีบด่วนอย่างเงี้ยก็ท้ายที่สุดเรื่องพวกนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ หาประโยชน์ส่วนตัวนะฮะอย่างนั้นแล้วก็ยิ่ ง, ย, งยิ่งประกอบกับการที่บแบ บ, แ บ, บว่ามีจีวรนัต้องเป็นจีวรห้าสิบผืน อ, อย่างเงี้ยนะ<ม>แล้วก็ต้องเป็นของใหม่เอีเหมี่ยไม่มีการใช้แล้ ว, ลวอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เออการการหลอกการหลอกแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หนึ่งก็เราเองเนี้ยเราอาจจะ ไม่ทันก็เรียกว่าไม่ทันตั้งตัวนะเพราะว่ามันต้องเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้ใหญ่สั่งมาอะไร่เงี้ยสิ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกคนหลอกคนลวงเนี่ยก็มักจะอ้างเสมอๆ น, น, นะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดซึ่งตรงนี้ก็เลยมองกลับมาถึงเรื่องของกรรมฐานของพวกเราเนาะกรรมฐานของพวกเราก็ทำให้พวกเราเนี่ยดูจัดยังเนาะอะไรก็ตามเนี่ยหลงพ่อมเขียนก็จะบอกมาไม่ว่า อย่าดวนตัดสินใจใช่ไมฮะไม่มีแบบว่าอย่าดวนตัดสินใจอย่าดวนผิดอย่าดวนถูกอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อย่าดวนตอบรับอย่าดวนปฏิเสธตรงเนี้ยก็คิดว่าคำครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนียได้ได้ใช้กับชีวิตประจำวันได้ใช้กับชีวิตประจาวันแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราถ้าเกิดมีภัยมาอย่างเนี้ยเนาะอย่างกรณีที่มีการหลอกมีการลวงเนียอย่างเงี้ย เราเองเราก็อาศัยอย่างนี้นะใช่ไหมฮะอย่าโวนรับอย่าดวนปฏิเสธอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยได้ได้พ้นจากความเสียหายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการหลอกเนาะจากบุกหมดภายนอกก็หลายๆปีก็เพิ่งมีสองครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหลอกจากใจภายในของเราเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยถูกหลอกบ่อย ห ล, ลอกบ่อยๆหลอกไม่เป็นตะละวันวันหนึ่งก็หลายๆครั้งน่าจะสำคัญก็คือการหลอกที่ทำให้เราเนี่ยได้ล้มเลิกความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็สำคัญเพราะว่าการหลอกแค่เราล้มเลิกความตั้งใจการปฏิบัติธรรมตรงนั้นหมายความว่าการปฏิบัติธรรมที่เราทุกคนที่มาที่ตรงนี้เนี่ยมีเป้าหมายว่าอมการปฏิบัติธรรมตรงนี้ จะเป็นเครื่องที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีทุกข์น้อยลงในความเป็นจริงถ้าหากว่าเราคิดถึงตรงนี้อยู่เสมอๆว่าการปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรามีทุกข์น้อยลงจนกระทั่งถึงไม่มีทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรสำคัญคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าให้พวกเราลองสังเกตดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นกรรมฐานในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งยกมือืนสร้างจังหวะ หรือว่าจะเป็นการเดินจงกลมก็ตามเนี่ยมันจะมีเหตุที่ทำให้เราเนี่ยล้มเลิกการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในหลายหลายรูปแบบอยู่อย่างแนบเนียนบ้างไม่แนบเนียนบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้บางทีก็มาในรูปดื้อมาในรูปของความง่วงมาในรูปของความเบื่อความแซงอะไรอย่างเงี้ยเรานะเองเราก็เรียกว่าทาตามเข้าไป พอมีความเบื่อมาก็หยุดก็เลิกพอมีความว่่งมาก็ขอพักขอนอนตรงเนี้ยผลก็คือเราก็หยุดเนาะหยุดการทำความเพียรหรือว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่อ่าก็เรียกว่าเทวบุตรตมานเนาะพระอาจารย์นทรินิลก็จะชอบคำนี้ได้ยินตั้งแต่บวชใหม่ๆพระอาจารย์นทรินิลก็จะพูดคานี้เอ๊คำนี้มันคืออะไรวะก็คือมาในรูป มาในรูปแบบว่าหลอกแบบดีๆอ่ะหลอกแบบดีๆก็เหมือนกับพระเมื่อวานเนาะมาเป็นรูปพระแล้วก็หลอกในเรื่องของบุญแบบว่าเออนี่นะ่าจะบวชถวายในหลวงในเะงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็เป็นรูปที่แนบเนียนขึ้นทําให้เราหลงผิดง่ายขึ้นอนยะ่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อารมณ์บุญในขณะที่เราปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไปสักพักหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยประมาณสองสามวัน ส4ี่วันเนี่ยถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องเรียกว่ามันจะเกิดอารมณ์บุญอันหนึง่งอารมณ์บุญอันนี้ก็นึกอยากทําความดีเนาะบางทีก็นึกอยากกวาดใบไม้ขึ้นมาเห็นใบไม้ร่วงใบสองใบก็กวาดเนาะเห็นใบไม้ร่วงใบสองใบก็กวาดเนี่ยอย่างตัวเองก็เคยเจอนะฮะอาตมาก็เคยเจอนะก็ลานจงกรมของเรามีใบไม้ร่วงมาสองสใบไม่เป็นไรช่างมันก่อน เอ๊อเดี๋ยวมันก็โล่งมาอีกสองสาใบอืมไม่เป็นไรช่างมันก่อนปรากฏว่าเอ๊อเดี๋ยวมันโล่งขึ้นมาอือจับไม่กวาดมากกว่าดพอจับไม่กวาดมากกว่าเอ๊ะตรงนี้เรียบแล้วเออตรงนั้นยังไม่เรียบเดินไปเดินมาสองชั่วโมงอืม <c oughs> ถึงได้รู้ตัวบันนี้ถูกหลอกแล้วอะไรเงยเรอย่างเงี้ยสองชั่วโมงเรากวาดไปกวาดไปทําอะไรก็กวาดไปเอ๊อตรงนั้นก็ลกเอ้อตรงนี้ก็ลบ ก, กวาดไปเอ๊อตรงนั้นก็ลบเอ๊อตรงนี้ก็ลกอย่างเงี้ย บหาบัดหลวงพ่อก็บอกว่าการทําความเพียรเนี่ยคืออะไรการทําความเพียรก็คือการสลัดความคิดทิ้งไปนี่คือการทําความเพียรในขณะที่เราเองก็กวาดไปอืมตรงนั้นก็ลบอืมตรงนี้ก็ลกเนี่ยเราไม่ได้ทําความเพียรนะเสียเวลาไปฟรีๆเคลื่อนไหวไปฟรีๆการที่พวกเราเนี่ยได้เคลื่อนไหวกันทุกความเคลื่อนไหวจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็ตามเนี่ยด้วยการใช้กายเคลื่อนไหวเนี่ยหลวงพ่อเทียนนะฮะก็ จะบอกเอาไว้ตรงนี้ละว่าถ้าหากว่ามีกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนี้หลวงพ่อคำเขียนก็จะพูดเทศจ์มืานนะฮะว่านี่คือการทำความเพียรการที่เอาใจมารับรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความหมายเดียวกันกับการที่หลวงพ่อคำเขียนพูดมืานว่าคือการสลัดความคิดทิ้งไปหลวงพ่อเทียนก็จะบอกบอกว่าคิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรก็กลับมานะอยู่กับความเคลื่อนไหวก่อน ความเคลื่อนไหวของกายตรงนเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เรื่องว่าเป็นกุญแจสำคัญที่สุดกับการปฏิบัติธรรมในสายของพวกเราเพราะว่านี่คือการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวไม่ได้หมายถึงว่าเราเดินหรือเรายกมือไปมาแต่ว่าความรู้สึกตัวหมายถึงว่ามีใจเนาะกับกายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมีกายที่เคลื่อนไหวมีใจเอามารับรู้ตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วก็ เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวก่อนกลับมารู้สึกตัวก่อนตรงเนี้ยหลวง้ออเขียนก็จะยืนยันนะไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยกลับมารู้สึกตัวก่อนกลับมารู้สึกตัวก่อนตรงเนี้ยก็มองเห็นมาในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็อาตมาเองแล้วก็อยู่กับอยู่กับ บัตรมาก็ได้เห็ น, นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยกลับมารู้สึกตัวก่อนเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมที่เราไม่เขาเรียกว่าเราปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในเส้นทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีแค่นี้เองนะมีแค่รู้กับมีแค่หลงหลงก็คือหลงทำความเพียร หลงลืมความรู้สึกตัวหลงไปกับนิสัยเก่าๆหลงไปกับสิ่งที่อยากทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตรงเนี้ยเนาะมันก็คือสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์เกิดโทษแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเรามีสติที่จะกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะหลงไปยังไงก็ตามเนี้ยเราก็จะปลอดภัยตลอดเวลาแล้วก็ตรงเนี้ยกรรมฐานของเราเนี่ยก็จะก้าวหน้าไป คำว่าก้าวหน้าไปก็หมายถึงว่าเราก็ทิ้งเนาะทุกเอาไว้ข้างหลังแล้วเราก็เดินห่างไปเดินห่างไปการที่เราจะมีอารมณ์บุญอยากทําบุญบ้างอยากจะทํานู่นทํานี้บ้างตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราติดเนาะบางทีก็จะเรียกภาษามาติดอารมณ์ก็ได้แต่ว่าการติดตรงนั้นหมายความว่าเราก็ไม่ได้เดินหน้าต่อมไม่ได้เดินหน้าต่อทุ ก, ก็อยู่ใกล้เราแต่ถ้าหากว่า เราเดินหน้าต่อไปเรื่องพวกนี้ไม่ได้ไปค้องแววแล้วก็ค้องแวะกับความเพียรของเรารู้สึกตัวของเราไปตรงเนี้ยการก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมที่เราเองก็มีเท่านี้เองเนาะมีเท่านี้เองก็คือเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะแล้วก็สลัดนะความคิดทิ้งไปอย่างเงี้ยกลับมารู้สึกตัวใหม่จริงๆแล้วที่มัสป า, าสุกโตก็ มีใจความสําคัญที่สุดก็เท่านี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือณวันนี้เราทําเป็นแล้วหรือยังณวันนี้เราทําได้แล้วหรือยังณวันนี้เราทรําคล่องขึ้นแล้วหรือยังณวันนี้เรากลับมารู้สึกตัวอะไรว่าขึ้นแล้วหรือยังตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าให้พวกเราเนี่ยได้ตรวจสอบมากกรรมฐานของเราเนี่ย เป็นยังไงถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้กลับมาตรวจสอบตัวเองเนาะว่าเอ๊ะวันนี้เรายัง ม, ม, มีทุก์นะผ่านอากับกริยาต่างๆของเราเนี่ยอยู่บ้างไหม บ, า ง, บางทีเราก็เดินเร็วเป็นนิสัยการเดินเร็วของเราหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าความรีบก็นำเราเนาะเราก็ก้าวเร็วไปบางทียกมือสร้างจาาังหวะบางทีเราก็ ยกเหมือนแบกของหนักเอาไว้ในมือเนะอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากที่จะรู้สึกชัดๆอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นการหลอกของความคิดทั้งหมดเนาะรู้ น, นั้นคือตรงเนี้ยก็เรื่องที่ถูกคนอื่นหลอกอ่ะนานปีทีหน็ก็หลอกแล้วทีหนึ่งหลอกได้บ้างหลอกไม่ได้บ้างนั่นก็แล้วไปแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเองจะต้องรู้ตัวกันก็คือ การหลอกจากความคิดของเราตรงนี้ที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ตัวว่าคิดก็สละทิ้งไปเลยหรือว่าหลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ตัวไปคิดก็กลับมาก่อนตรงนี้ละ่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นกรรมฐานที่เป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับชุมชนของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนในโลกทั้งหมดอะไรอย่างเนาะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เพียรเนาะที่จะทําเพียรที่จะรู้สึกตัว รู้สึกตัวกลับมาการรู้สึกตัวกลับมาตรงเนี้ยเนาะก็จะทําให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยก็พ้นทุกข์กันทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้หรือว่าจะเป็นทุกข์ที่สะสมมาในอดีตอนาคตแต่ว่าตรงเนี้ยการก้าวไปของข้างหน้า <c oughs> การก้าวไปข้างหน้าของพวกเรา <c oughs> การที่พวกเราเคลื่อนไหวทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง <c oughs> ก็จะพาให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยห่างทุกข์ ทุกนาทีทุกนาทีตรงนี้นะก็ขอให้พวกเราได้เพียงทำกันแล้วก็ตรงนี้ละ่ะก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการเครื่องรางของขลังอะไรแต่ว่าต้องการเพียงแค่ความเพียงที่ถูกต้องของพวกเราทุกคนที่จะนำพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปหาสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ทุกได้ถูกต้องทั่วกันทุกๆคนนะก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้กลับพระพรอมกันนะ